พบกับรายการบ้านเมืองน้าอยู่นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมในระบบ FM ความถี่เก้าสมิเกรเฮิร์ส์ซึ่งรายการบ้านเมืองหน้าอยู่นะครับก็พบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำนะครับทุกวันพฤหัสบดีในช่วงเวลา9ก้นาฬิกาสิบาทีถึงสิบนาฬิกาครับวันนี้พบกันก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่6พฤศจิกายนสองพนายนะครับก็ตรงกับวันลอยกระทงวันนี้ผมพิทยาแสงรุ่งผู้ดำเนินรายการนะครับ รายการบ้านเมืองหน้าอยู่นะครับก็เป็นรายการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านผู้ว่าอดิศักดิ์เทพอาจแล้วก็ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านรองกุมพลบรรเทาทุกข์ท่านรองสมชายวิทย์ดำรงรวมไปถึงมณฑสวนราชการในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมนะครับก็จะได้นําข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการในด้านต่างๆครับมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับสําหรับรายการบ้านเมืองหน้าอยู่ในวันนี้ครับ ช่วงแรกทางรายการก็ได้รับเกียรติจากทางด้านหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบันเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมท่านวิรศักดิ์วิเชียนแสนนะครับก็จะมีในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งภัยห น, หนาวการป้องกันไฟปา่าแล้วก็การเผาในที่โล่งนะครับมาฝากท่านทุกฟังกันเตอนนั้นช่วงช่วงที่2นะครับก็จะนําท่านทุกฟังไปพบกับ ء, ทางด้าน ء, ทางด้านปกครองจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีเรื่องของการดำเมินโครงการ นครพนมเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขนะครับเรื่องของการกวดขันการจําหน่ายแล้วก็การเล่นพลุ ป, ประทัดดอกไม้เพลิงนะครับในช่วงแรกนี้นะครับนายธนูนฟังไปพบกับทางด้านหัวหน้าวิเชียนศักดิ์วิศักด์วิเชียนแสนนะครับหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมเชิญครับหัวน้ครับครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมกับผมนายเวฤษศักดิ์วิเชียนแสนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมได้รับมอบหมายจากท่านผู้บริการจังหวัด ลครพนมเรานะครับคือท่านอดิศักดิ์เทพอาจให้นำเสนอข้อมูลและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จากภัยทางธรรมชาติที่หมุนเวียนประจำอยู่ทุกปีนั่นก็คื อ, อปัญหาภัยแรงภัยหนาวและการป้องกันไฟป่าและเผาัยในที่โลงท่านครับด้วยความห่วงใยของท่านพ่อเมืองของเรานะครับในสำนัก ง, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย, ยนข้อมูล การเตรียมพร้อมและรับสถานการณ์ในสถานการณ์ที่ได้นําเรียนไปแล้วนะครับว่าการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟแรงประจําปีพศ 2557-58 0 0ต่อนะครับจากสถานการณ์ภไยแรงปัจจุบันนะครับปริมาณน้ําฝนของเรานะครับที่ตกในพื้นที่จังหวัดนครพนมเราตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนตุลานะครับรวมแล้วประมาณ 2,400 สามจุดเจ็ดมิลเมตรนะครับเพื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้ำฝน <c oughs> ทดครับมกราถึงธันวาสองพันห้า้ยห้าสิบกก็ประมาณสองพันห้าสิบสี่มิลเมตรครับปริมาณฝนปีนี้ของเรามากครับแต่มันก็ทำให้ปัญหาน้ำที่อยู่ในพื้นที่แห้งลงเร็วนะครับระดับน้ำโขงนะครับณนะจุดวัดน้ำอำเภอเมืองนะคปรปนมปัจจุบันนี้นะครับเมื่อข้อมูลเมื่อวันที่ห้า วฤิกายนระดับน้ําอยู่ที่3เมตร43 3.43 เมตรครับเปรียบเทียบเมื่อปี56นะครับปี56ปริมาณน้ําจะอยู่ที่4เมตร54เซนตครับเมื่อต้นเดือนอพฤศจิกาเมื่อกี้นะครับปี56นะครับอยู่ที่ระดับ5เมตร39แต่ปี57นะครับอยู่ที่3เมตร97เซนครับน้ําปีนี้มากแต่น้ําก็ไหลแรงนะครับ ทำให้ปริมาณน้ำาขงลดลงครับปริมาณเก็บกักในอ่างเก็บน้ำชนประธานทั้งหมด19แห่งนะครับมีปริมาณเก็บกักอยู่ทั้งหมดนะครับ 51.32 ล้านลูกบาศเมตรครับปัจจุบันมีน้ำอยู่ประมาณ 37.73 ล้านลูกบาศเมตรคิดเป็น 73.32 เปซเมื่อเทียบกับปี56นะครับปริมาณน้ำอยู่ที่ 40.90 ล้านลูกบาศเม็ครับ คิดเป็น 79.81 นะครับท่านผู้รายการจังหวัดนะครับด้วยความห่วงใยและมีการแจ้งเตือนนะครับท่านได้มีมาตรการเร่งด่วนนะครับหนึ่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพา ก, กิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไยแรงระดับจังหวัดอำเภอและองค์กรปกรครองส่วนท้องสิน่นด้านการจัดขาน้ำอุปโภคบริโภคแจ้งให้อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์แจกจ่ายน้าประจาหมู่บ้าน บริหารจัดการประปาชุมชนให้เพียงพอจัดหาแหล่งน้ําเพิ่มเติมได้แก่การซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านเป่าล้างบ่อจัดหาถังน้ํากลางขุดลอกแหล่งน้ํากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัดสำรวจแหล่งน้ําบ่อบาดาลเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งปีพศ2558มีบ่อบาดาลทั้งหมดในจังหวัดของเราทั้งหมดอยู่ประมาณ1438งอยบ่อครับใช้น้ําได้แค่ 5 54บ่อชำรุดอยู่8 84บ่อในบอ่อที่ ช, ชำรุดนะครับสามารถซ่อมได้แค่6 89บ่อครับความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับที่อำเภอได้สำรวจมาทั้งหมด12อำเภอของเราต้องการบอร่อน้ำบาดาลเพิ่มอยู่ประมาณ 1,006 บ่อครับกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดดำเนินการโครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีความสุขนะครับ โดยท่านผู้บริการจังหวัดเมื่อวานนี้ไปนำล่องนะครับที่ห้วยคำไหลบ้านโนนสมบูรณ์ตำบลโพนแพงอเภอทาตผพนมนะครับมีการคลิกออพดำเนินการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีความสุขนะครับมีการขุดลอกปักตกชวาทำให้น้ำสามารถที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภคให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้นะครับโดยได้รับความร่วมมือนะครับจากส่วนราชการ ทุกส่วนที่รณรงค์ในการจัดหาน้ําเพื่อความสะอาดในครั้งนี้นะครับเราได้รับเครื่องจักรกลนะครับจากองค์การบริหารส่วนตำบลไอองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับจากจทบและจากนบพร .22 และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธาภัยเขต7สกลนครนะครับที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนครพนมได้นําเครื่องจักรกลนะครับโดยท่านผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธาภัยเขต7สกลนครท่านจุริยัต จุรีรัตเทพอาจนะครับได้นำเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ชุด ERT จากศูนย์เเมาระดมช่วยกันเมื่อวานนี้นะครับจนสำเร็จาตามเป้าหมายที่ได้วางไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้บริการจังหวัดนะครับได้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับโดยท่านดกเตอร์สมชอบนิจพจน์นะครับบริหารการทุกอปต อ, อำเภอในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับ าการโครงการคลองสวยน้ําใสคนไทยมีความสุขนี้นะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งเราได้ดําเนินการไปเป็นที่เรียบร้อยและสมเกตเกตํานงทุกประการครับการจัดหาน้ําเพื่อการเกษตรนะครับชนประธานจังหวัดได้จัดสรร น, น้ําให้เพียงพอในเขตพื้นที่รับผิดชอบและนอกเขตพื้นที่ชนประธานจังหวัดขอความร่วมมือปลูกข้าวนาปังส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้แง นะครับพืชที่ใช้น้ําน้อยจัดหาเครื่องสูบน้ําเพื่อการเกษตรโดยโครงการชนประทานจังหวัดนครปนมนะครับท่านผู้บริการจังหวัดได้สั่งแล้วว่าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงนี้ที่จะปลูกข้าวนาปังก็ขอให้ปลูกพืช อ, อื่นทดแทนก่อนนะครับเพราะปัญหาเรื่องน้ําอาจจะทําให้น้ําอุปโภคบริโภคของจังหวัดเราไม่เพียงพอได้ครับด้านการเตรียมการนะครับ อำเภอได้จัดทําบัญชีหมู่บ้านชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยแล้ง 2. จัดทําแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภายแล้งอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนแจ ก, กจ่ายน้ําให้แก่ราษฎลอนตามข้อมูลหมู่บ้านและชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการประสบปัญหาภายแล้งที่ได้สํารวจไว้และกําหนดจุดแจ ก, กจ่ายน้นําณสถานที่สะดวกกับประชาชนในแต่และหมู่บ้านนะครับ 3. จัดเตรียมกําลังคน สำรวจวัสดุอุปกรณ์รถบรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำเครื่องมือเครื่องใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากไฟแล้งไว้ให้พร้อมในการในการใช้ได้ทันทีสี่สำรวจตรวจสอบแหล่งน้ำรวมทั้งภาชนะเจ็บกักน้ำให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อย่างเพียงพอและจัดทําบัญชีไว้เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําดังกล่าว 5. ดําเนินการขุดลอกคูคลองแหล่งน้ําสาธารณะนะ เพื่อให้สามารถเจ็บ ก, กับน้ำในหมู่บ้านและตำบลได้มากขึ้นแจ้งอบตให้ความต้องกันในการดูแลรักษาแหล่งน้ำสาธารณะคูคลองหนองบึงและภาชนะเจ็บกักน้ำอื่นๆเพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคในดุรูแรงอีกทั้งพิจารณาสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภพยแรงตามแผนพัฒนาแหล่งน้าของจังหวัดที่จะทาไว้มาดาเนิกนการในช่วงระยะยาวต่อเนื่องต่อไปนะครับ ก็ได้ดำเนินแล้วว่าการขุดลอกคลูคองนะครับที่เราดําเนินการมีการบรณาการเครื่องจักรนะครับจากส่วนราชการมาเพื่อดําเนินการโครงการคลองสวยน้ําใสคนไทยมีความสุขทําอย่างไรที่จะให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปรนมมีความสุขไม่ต้องผวางเกี่ยวกับปัญหาภายแล้งน้ําอุบโภคบริโภคไม่เพียงพอนะครับท่านผู้บริการจังหวัดนะครับท่านอดิศักดิ์เทพาท่านมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนของเรา อยู่ตลอดนะครับท่านจะลงพื้นที่สำรวจความต้องการคือ1ไปดูพื้นที่2รับทราบปัญหาที่จะนํามาดาเนินการแก้ไขนะครับด้านการให้การช่วยเหลือนะครับเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยแรงในพื้นที่อําเภอนะครับจะพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งตามระเบียบกระทรวงกันคลังว่าได้เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัยกรณีฉุกเฉิพออ 2, นพศส5งพันหาอยานาจของนายอำเภอและเพื่อแก้ไข ในอำนาจของกอชพจจังหวัดต่อไปมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาวนะครับได้กลับเปลี่ยนไปแล้วว่าท่านผู้บริการจังหวัดนะครับท่านจะออกพื้นที่ลงพื้นที่แต่ละอําเภอรับทราบข้อมูลจากอําเภอจากอบทในพื้นที่แล้วไปดูด้วยตัวของท่านเองนะครับท่านจะนํามาให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนําเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการดำเนินการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ําเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งตามแผนงานโครงการของหน่วยงานนะครับซึ่งการดำเนินการโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ําเดิมเพื่อป้องกันปัญหาแก้ไขไปแล้งงบประมาณปี 2557-58 นะครับที่จะดําเนินการในพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมโดยเร่งด่วนท่านครับปัญหาภายแล้งนะครับถ้ามีการเตรียมพร้อมมีการ ยุทธวิธีก็คือการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ปรมิมาณน้ำการใช้น้าเราใช้น้ำอย่างเพียงพอใช้น้ำอย่างประหยัดปัญหาภายแรงในพื้นที่เราก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะครับส่วนในด้านการเพาะปลูกครับเมื่อมีปัญหาเรื่องภายแรงที่ได้แจ้งไว้แล้วว่าสถานการณ์ภายแรงนั้นมันจะทำให้พืชผักนะครับโดยเฉพาะข้าวนาปังได้รับความเสียหาย ก็กับเรียนพี่น้องประชาชนของเราว่าให้หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวนาปังในกรณีที่น้ําไม่เพียงพอนะครับก็จัดหาพืชอื่นทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้ศักยภาพและขีดความสามารถของเรานะครับท่านผู้วริการจังหวัดท่านเป็นห่วงอยู่ตลอดนะครับท่านให้ทางสํานัก ง, งานเกษตรจังหวัดนะครับแจ้งอําเภอและสํานัก ง, งานเกษตรจังหวัดให้หาพืชปลูกทดแทนข้าวนาปังที่ใช้น้ํามากแต่ถ้าเอาพืชอื่น ที่สามารถจะใช้น้ำได้น้อยและพี่น้องประชาชนมีรายได้ในส่วนนี้ก็รีบดาเนินการในช่วงนี้อยู่ตลอดนะครับสถานการณ์ที่สองนะครับที่ผมอยากนำเรียนนะครับก็คือจากปลายฝนเดือนนี้พอฝนสึ่นฝนปั๊บจะมีภายหนาวภายแรงภายหนาวเขาจะมาควบคู่กันครับ สถานการณ์ภัยหนาวนะครับภัยหนาวปัจจุบันนี้สภาวะอากาศทั่วไปในเวลา 07.00 นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นกับมีบกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยกับมีลมแรงจะสังเกตได้นะครับว่าตอนเย็นๆนะครับบ้านเราแบบนี้ เริ่มมีอากาศเย็นนะครับซึ่งอุณหภูมิตำสุดเมื่อเช้านี้ก็ประมาณ21องศานะครับการคาดหมายลักษณะทั่วไป7วันข้างหน้าครับพี่น้องครับในช่วงระยะเวลาวันที่6ถึงวันที่7นะครับคือวันนี้วันมีความสุขก็คือวันลอยกระทงนะครับวันลอยกระทงนะครับวันที่6วันที่7บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีการบางอ่อนลง ทำให้บริเวณภาคตะดอร์เขียงเหนือตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยกับมีโบกบ้างในตอนเช้าในช่วงวันที่8ถึงวันที่10บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ปกเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้ภาคตะดอร์เขียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีก1นถึงสองศาครับผลกระทบด้านการต่อกา ร, กรเกษตรนะครับ สัปดาห์ น, นี้เป็นเป็นช่วงต้นฤดูหนาวอากาศจะเปลี่ยนแปลงกเกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและหากและร่างกายปรับตัวไม่ทันรวมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการหนาวและให้ความอบอุ่นแก่ตนเองไว้ด้วยนอกจากนี้ความเตรียมพร้อมเตรียมจัดแผงกบาบังลมหนาวและอุปกรณ์สาหรับเพิ่มเติม ปกคุมภายในโรงเรียนโรงเลี้ยงสัตว์นะครับภายในโรงเรียนเลี้ยงสัตว์ไว้ให้พร้อมสําหรับสบภาพอากาศแห้งในตอนกลางวันประกอบกับปริมาณน้ำและเหยมีเกษตรกรที่ต้องการปกคุมพืชให้ระวังเช่นใบไม้ฟางหญ้านะครับเพื่อป้องกันน้ําละเหยจากผิวดินได้เร็วนะครับพยากรณ์อากาศบริเวณประเทศไทยตั้งแต่สิบสอง จุดูดนนวันนี้ถึง12พรุ่งนี้นะครับอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและลมแรงลมตะวัอกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในด้านการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยหนาวนะครับท่านผู้บริการจังหวัดนะครับด้วยความห่วงใยของท่านผู้บริการจังหวัดนะครับได้จัดเตรียมภัยหนาวมีการให้ทางท่านในเเพอร์นะครับสรวจความต้องการของพี่น้องประชาชน นะครับที่ต้องการเครื่องกันหนาวอยู่ตลอดในช่วงนี้นะครับและโดยเราได้สํารวจเครื่องกันหนาวไว้แล้วนะครับว่าความต้องการเครื่องกันหนาวนั้นพี่น้องประชาชนทั้ง12อำเภอนะครับต้องการผ้าห่มนวมในประมาณ1 4 7 5 1 9ผืนนะครับส่วนผ้าหมมาม 4, 4่มหมพรม 4,254 ผืนเสื้อกันหนาว 9,200 ตัว นะครับรวมแล้วความต้องการทั้งหมดหนึ่งแสนหกมืนเก้า้อยเจ็ดสิบสามชิ้นนะครับซึ่งการลักษณะมาชักษะอากาศในช่วงฤดูหนาวปีนี้นะครับอ า, อ, าอากาศหนาวจะมีความหนาวเย็นอยู่ตลอดนะครับท่านผู้บริการจังหวัดนะครับท่านมีความเป็นห่วงนะครับเลยให้มีการสำรวจนะครับแจ้งความต้องการและเตรียมพร้อม ที่จะประสานหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อขอรับการสนับสนุนผ้าห่มไม่ว่าจะเป็นผ้าห่มนวมผ้าห่มไหมพรมเสื้อกันหนาวเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปนมของเรามีร่างกายที่อบอุ่นสมบูรณ์อยู่ตลอดนะครับสถานการณ์ภัยหนาวปีนี้นะครับคาดว่าจะยาวนานก็อยากจะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยหนาวของเราได้ตลอด และผ่านผลไปด้วยดีครับท่านส่วนประการที่3นะครับที่จะนําเรียนนก็คือการป้องกันไฟป่าและการเผาในที่โล่งจากสภาวะที่ปลายฝนต้นหนาวและทําให้อากาศแห้งนะครับจนใบไม้จะมีใบไม้ร่วงและทําให้เกิดใบไม้แห้งติดไฟได้ง่ายนะครับ ตลอดการเกี่ยวข้าวในช่วงเดือนๆดือนี้ครับพี่น้องประชาชนทั้งเราจะมีการออกไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเสร็จนวดข้าวตีข้าวเก็บข้าวฟางข้าวทิ้งไว้นะครับอาจจะมีการติดไฟได้ง่ายนะครับไม่ว่ า, าฟางข้าวอาจเป็นเชื้อไฟได้ดีและมีการบุกลุกเผาป่าต้องการที่ทาจินทาให้เกิดอักีภัยได้อย่างง่ายพี่น้องประชาชนที่เคารพครั บ, รบในช่วงที่ในช่วงที่ท่านออกไป าหาของป่านะครับขอความการุณานะครับในการจุดไฟในป่านะครับซึ่งอาจจะทําให้ไฟลุกลามใหญ่โตนะครับท่านผู้บริาการจังหวัดท่านเป็นห่วงนะครับเพราะว่าอากาศแห้งใบไม้มันจะเปลี่ยนฤดูนะครับคือใบไม้ร่วงเแถวบ้านเรานะครับพอใบไม้ร่วงมีการาทับถมของใบไม้แห้งและเป็นเชื้อไฟได้อย่างดี อาจจะออกไปแล้วดูดบุหรี่โยนบุหรี่ลงไปแค่กองอใบไม้ให้ก็อาจจะเกิดไฟได้ครับท่านครับซึ่งการสูญเสียนั้นไม่ว่าจะเป็นอยู่ในป่าอยู่ในกลางทุ่งนาแม้แต่อยู่ในบ้านเรือนนะครับเวลาออกไปเกี่ยวข้าวแล้วกลับมากลางค่ำนะครมีการหูงหาอาหารแล้วอ่อนเพียหลับไปไฟก็อาจจะทําให้เกิดไฟไหม้บ้านได้นะครับซึ่งเหตุไฟไหม้นะครับ มีประจําในช่วงฤดูนี้ครับก็ท่านผู้บริการจังหวัดท่านเป็นห่วงนะครับท่านก็ได้ประสานท่านนายเภอทุกพื้นที่แก้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้ออกหอกระจายข่าวอยู่ตลอดนะครับให้เฝ้าระวังเรื่องฟืนไฟที่จะ ท, า ท, ะ ท, ะทํ า, า, หาทให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องอยู่ได้ตลอดนะครับท่านดูข่าวทีวีนะครับจะเห็นว่าเกิดเเพลิงไหม้ทําให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอยู่ตลอดนะครับ นอนหลับเพลินๆครับแต่ไฟมันลุกไหม้ไปเพลิบไม่สามารถที่จะออกมาได้ก็เกิดทําให้อ่าเกิดการสูญเสียครั้งใหญ่นะครับท่านพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมนุษย์ศรีนครพครับซุกสถานการณ์นะครับที่มีการดําเนินการและมีการประสานการปฏิบัติทุกอย่างนะครับท่านพ่อเมืองของเราคือท่านอดิศักดิ์เทพอัตผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นห่วงมีความเป็นห่วงนะครับไม่ว่าสถานการณ์ภัยอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง ส่วนราชการทุกส่วนได้บูรณาการกันเข้าไปช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขสมกับจังหวัดนครปรนมเป็นเมืองน่าอยู่และมีความสุขที่สุดนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีก็คือความร่วมมือของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปรนมที่ให้ความร่วมมือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และมีการ บูรณาการช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่วนราชการเป็นส่วนจังที่จังหวัดเป็นส่วนราชการที่เป็นในช่วงการเตรียมความพร้อมที่จะออกช่วยเหลือท่านครับถ้ามีการก่อนก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุควรปฏิบัติอย่างไรนะครับถ้าก่อนเกิดเหตุก็มีการวางแผนการจับรูปแบบการบูรณาการเกี่ยวกับสถานะภยัยมีการเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้ง ภัยหนาวแม้แต่ภัยป่าหรือเฟื่อไฟนะครับมีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์มีการวางแผนที่ดีนะครับปัญหาคงจะไม่เกิดขึ้นแต่ขณะเกิดเมื่อเกิดนะครับในพื้นที่ต้องบูรณาการระดมระครบสรรศพท์กำลังในเครื่องไม้เครื่องมือในพื้นที่ของท่านเข้าดำเนินการนะครับอย่างเกิดเหตุในที่เกิดเหตุการเรียนด้วยความเคารพครับการบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ในเกิดเหตุ น, นั้น ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพื้นที่ในพื้นที่ของท่านจะเป็นตุลตัวแรกครับที่เข้าบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ของท่านเมื่อสถานการณ์ลุกลามมาเสร็จก็นายกองค์การเบริหารส่วนตำบลหรือองค์การบริหารเทศบาลทุกแห่งจะเข้าบรรชาการต่อไปเมื่อเกินขีดความสามารถเสร็จการสั่งระดมสรภากำลังนะครับ 1. ในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านระดมได้ 2. ในพื้นที่รอบหมู่บ้านนะครับท่านนายกนะครับ 3. ในพื้นที่อำเภอระดมสรรพกําลังเข้าไปก็คือท่านนายอำเภอนะครับเมื่อเกินต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกลหรือกําลังสนับสนุส น, นจากจังหวัดก็ท่านผู้บริการจังหวัดจะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นี่แหละครับคือการสเตปการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัยทุกอย่างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกรารเรียนด้วยควมเคารพครับท่านผู้บริการจังหวัดไม่อยากให้เกิดในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมแต่อย่างไรแต่เมื่อได้รับผลกระทบทุกอย่างก็มีการาป้องกันและ ทำการเยียวยาช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับอยากจะกลับเรียนด้วยท่านด้วยความเคารพครับว่าพื้นที่จังหวัดนครปรมนมันจะเป็นเมืองน่าอยู่และมีความสุขที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนทุกอย่างครับกงขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ ให้การร่วมมือและช่วยเหลือทางราชการอยู่ตลอดนะครับสมแล้วที่ท่านผู้บริการจังหวัดท่านมีความห่วงใยและท่านจะออกติดตามทุกสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปขอบคุณครับนายอดิศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมขอเชิญสร้างค่านิยมหลักของคนไทย12ประการขอเชิญชวนพี่น้องชาวนครพนม ร่วมใจกันปลูกฝังปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย12ประการครับคือ 1. รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์ศสียสละอดทนได้ 3. กระตันยูพ่อแม่สุดหัวใจ 4. มุ่งไฟเล่าเรียนเพียรวิชา 5. รักษาวัฒนธรรมประจำชาติ 6. ไม่ขาดศิลธรรมศาสนา 7. เรียนรู้อธิปไตยของประชา 8. รักษาวินัยกฎหมายไทย เก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัส10ไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้11ต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ12ไซส์คิดอะไรญญให้ส่วนดวงเก้านาฬิกาสามสิบแ 9.38 นาทีนะครับคุณผู้ฟังกำลับบงติดตามรับฟังรายการบ้านเมืองหน้าอยู่ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม รายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ทางด้านในอำเภอครับซึ่งในช่วงแรกท่านฟังก็ได้ติดตามรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการป้องกันการแก้ไขปัญหาภัยแล้งภัยหนาวการป้องกันไฟป่าแล้วก็การเผาในที่โล่งนะครับจากทางด้านคุณวักด์วิจชียนแสนครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมนะครับ ในช่วงที่2นี่ครับนำท่านผู้ฟังไปพบกับเรื่องราวของการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมนะครับโดยเฉพาะนครพนมเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขกับท่านนายอำเภเมืองนครพนมครับท่านนายอำเภดำรงสิริวิทย์อิมวิเศษขณะนี้ก็อยู่กับรายการเราครับสวัสดีครับท่านนายอำเภครับสวัสดีครับขอบเชิญครับท่านครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ดำเนินรายการครับผมดํารงสิริวิทย์อิมวิเศษนายอำเภ เมืองนครพนมวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านอธิษฐานให้ผมมาบอกเล่า90พี่น้องผู้เป็นเจ้าของจังหวัดผู้พี่น้องที่ เ, เป็นผู้สร้างบ้านสร้างเมืองนครพนมให้เป็นเมืองที่มีความสุขมากที่สุดนะครับให้มาเล่าให้ฟังในหลายๆเรื่องทั้งในฐานะอาของนายอเภเมืองและก็ในฐานะของผู้รักษาราชการแทนท่านประจวบังหวัดนครพนมครับ เออวันนี้ผมจะมาบอกเล่ากับสิพี่น้องด้วยความเคารพนะครับเรื่องของออการดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในเรื่องของโครงการคลองสวยน้ายําใสและก็ที่สําคัญที่เราหอมโรงกันไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องของออจังหวัดนครพนมเมืองสะอาดคนในชาติมีความสุขผมอยากจะเรียนพี่น้องด้วยความเคารพนะครับว่าวันนี้เนี่ย เป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งถือว่าเป็นเป็นความโชคดีของบ้านเมืองเราที่ท่านทางคณะรัฐมนตรีได้มีความเห็นว่าวันนี้เนี่ยน่าจะถึงเวลาแล้วครับพี่น้องครับในการที่จะมาร่วมแรงร่วมใจกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบ้านเมืองเราทั้งนี้เพราะว่าท่านอาจจะเห็นนะครับว่าวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราคนผู้คนอาจจะมากขึ้นนะครับ60กว่าล้านคนทุกคนยั่งกันอยู่ยั่งกันใช้ วันนี้ทรัพยากรธรรมชาตมิมันมีเท่าเดิมหรือมันน้อยลงไปทุกวันพูดอย่างนี้เนี่ยอาจจะจะมองไม่เห็นภาพแต่ถ้าเรามาม า, มาวิเคราะห์ดูว่าอวัดทําไมวันนี้เราจะมองหาคลองที่ไหนที่น้ํำใสๆไม่มีเลยเราจะมองเห็นความสกรปรกความไม่เป็นระเบียบทั้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลมันเยอะแยะไปหมดในบ้านเมืองเราสิ่งเหล่านี้เนี่ย ม, มันควรจะเป็นหน้าที่ของของใครควรจะดำเนินการ ควรจะเป็นหน้าที่ของนายอำเภอใช่ไหมครับมาถือไม้กวาดวันๆแล้วก็จบจบไปแล้วก็ทุกท่านก็มีความสุขไปในวันที่เราไปถือไม้กวาดอย่างนั้นใช่หรือไม่นะครับซึ่งผมเรียนว่านหนึ่งเป็นความโชคดีของบ้านเมืองที่รัฐบาลมีมมมนโ ย, ยบายอย่างนี้ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเป็นการถ่ายทอดหลักการทรงงานของในหลวงของพวกเรานะครับเพราะในหลวงท่านมีหลักการทรงงานในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเรื่องของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ยงให้มีความสมดุลกับผู้คนได้อย่างแท้จริงวันนี้จังหวัดเองท่านรัฐมนตรจังหวัดเองมีนโยบายนะครับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแว ด, ดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่านี่ชัดเจนนะครับวันนี้โอกาสที่จะให้ทำเหมือนเดิมเนี่ยก็ต้องก็ต้องเรียนว่ายาก จะต้องขอญาติวันนี้บัญชีไม้หัวงา่ามทั้งหลายทั้งปวงคอทชได้ประกาศมาแล้วพวกเราต้องระมัดระวังอีกมากมายมาสารเรื่องของที่ดินสาธารประโยชน์ที่ประชาชนชร่วมกันนะครับผมเล่าเหตุบ้านกันเมืองของอำเภเมืองเราดีกว่านะครับท่านจะได้รับทราบอย่างเช่นวันนี้เรามีนโยบายที่จะทวงคืนผื้นป่าสาธารประโยชน์โดยเฉพาะป่าโคกปูกแต่ที่อยู่เชิงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สาม ของเรานี่แหละครับว่าปีนี้ปีงบประมาณ2 5 5 8นี้นะครับรัฐบาลได้ประกาศให้จังหวัดนครปนมีเป็นจังหวัดที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแปลว่าจะมีความเจริญมาสู่บ้านเมืองเราแปลว่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาสู่บ้านเมืองเราอีกมากมายมาสารองค์ประกอบของการประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือเรื่องของการจัดหาที่ดินเอาไว้รองรับ ความเจริญเช่นการสร้างศูนย์โลจิสติกการสร้างศูนย์ขนส่งสินค้ า, าสถานีจอดรถไฟหลังคู่ที่เราได้พ้ำพูดบอกเล่ากันมานมนานวันนี้ผมขอเรียนท่านว่าท่านผู้กันจังหวัดต้อารบนมท่านอธิษฐานเท็จอาจได้มอบหมายให้ผมนะครับในพื้นเมืองต้อ ก, การบนมและคณะทุกหมู่เรากำนันผู้หญิบ้าน อ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้ทวงคืนผืนป่าป่าโคกกกแต่สองพันเก้าร้อยไร่ถูกบกุกจาก ผู้หวังอะไรก็สุแท้แต่นะครับวันนี้ขอเรียนพี่น้องให้สบายใจว่าเราทำเสมอหน้ากันแจ้งความด้นนักดีไปแล้ว40รายที่เหลือก็มีกำหนดให้มาลงนามในพันธสัญญาแล้วให้เคลื่อนยายออกไปในเวลาอันที่ทเราตกลงกันวันนี้เราก็ใช้รถแบ็คโฮไปขุดกั้นแนวให้เห็นชัดเจนว่าอันไหนที่หลวกอันไหนที่รัษดรไม่มีการลังแกะรัษฎรแต่จะทวงคืนปืนป่า จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมป่านี้ไว้ให้กับลูกหลานให้กับพี่น้องชาวกนกรพนมได้ภาคภูมิใจและลองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งหมายถึงปากท้องซึ่งหมายถึงความเจริญในทุกๆด้านของบ้านเมืองเราอันนี้ผมให้สัญญาแล้วก็ไม่หวั่นไหวแล้วก็เดินหน้าอย่างมีความมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราแม้จะน้าดำคำเครียดจาก็หน้าดำคำเครียดเพื่อความภาคภู ข, ของพี่น้องประชาชนอันนี้อันนี้ให้เป็นคำมสัญญาที่ ขอพูดออกอากาศให้พี่น้องได้สบายใจนะครับ เ, เพื่อเป็นการสนองนโยบายใ น, ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่านผู้กาจังหวัดก็มีนโยบายให้ทุกหมู่บ้านทุกตาบลทุกองค์กรปรกครองส่วนท้องถิน่นไปรณรงค์ทำความสะอาดหรือไปถ่ายทอดนโยบายของรัฐบาลให้มันเกิดผลอยู่ในพื้นที่ของพวกเรานะครับาทางจังหวัดก็ถ่ายทอดไปยังคําสั่งนี้ไปยังอําเภอทุกอําเภอสําหรับอำเภอเมืองนั้นเราได้มอบหมายให้ทาง ทุกองค์กรในระดับตำบลหมู่บ้านนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านต้องไปทําความสะอาดหมู่บ้านตนเองลํางของที่ผ่านมาตนเองที่มีผักตบชวาต้องระดมสภากกําลังกันอันไหนทําได้ทำถ้าทําไม่ได้ก็แจ้งไปที่อบตอบตอทําได้ก็ท ำ, ทำทำไม่ได้ก็รายงานไปที่อำเภออำเภอทำได้ก็ทำท ำ, ทำไม่ได้ก็รายงานไปที่จังหวัดต่อเนื่องกันไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นในห่วงสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์รณรงค์ของการสร้างนครปนมให้เป็นเมืองสะอาดให้คนในชาติมีความสุขให้ได้ นะครับอย่างเช่นชุมชนบางชุมชนก็เป็นชุมชนที่โอ้เห็นแล้วน่าตกใจเช่นบ้านเนินสะอาดของผมตะบนนารัะชะควายก็มีปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยเรื่องน้ําเสียเรื่องทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางซึ่งในความเจริงก็เป็นเรื่องที่ต้องผมได้รับมอบหมายและถึงแม้ไม่ได้รับมอบหมายก็จะลงไปดูให้นะครับว่าเ อ, อ้มันผู้คนมากมายอย่างนั้นเราจะบริหารทรัพยากรธรรมชาและสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับวันนี้ พื้นที่อำเภอพื้นที่ตำบลต่างๆไปสำรวจนะครับคลองมันสวยมันมีอวัชพืชมีความตื้นเขินอย่างไรก็ไปบปรุณะปรับปรุงโดยเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยจะมีผลในระยะยาวนั่นหมายถึงว่าแรงข้างหน้านี้แหล่งน้ําก็จะได้มีแหล่งน้ํากินน้ําใช้น้ําสําหรับสัตว์เลี้ยงได้อยู่ได้อาศัยนอกจากนั้นในระยะยาวนะครับสิ่งเหล่านี้มันของอะไรที่เป็นสาธารณะเนี่ยมันจะน้อยลงน้อยลง เพราะนั้นเราจะต้องเริ่มปลูกฝังผมจะนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมจะพร่าบอกทุกส่วนนะครับว่ า, าการทําอย่างนี้ถึงแม้จะเป็นการาสร้างเป็นการแก้ไขปัญหาที่เราเห็นเห็น<ๆ>กันอยู่แต่ว่าในระยะยาวเปความยั่งยืนเนี่ยผมผมจะนําไปปฏิบัติในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนให้มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการบอกลูกหลานเราซึ่งเป็นนักเรียนนะครับว่า อะไรดีไม่ดีคืออะไรจิตสาธารณะคืออะไรค่านิยมสิสองประการเนี่ยที่ทางรัฐบาลได้มอบให้พวกเราไปรณรงเนี่ยผมก็จะให้ชุดปฏิบัติการระดับตำบลก็ดีกำนันพยาบาลก็ดีไปพูดไปคุยอยู่บ่อยๆนะครับความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องมันต้องเกิดขึ้นจากชุมชนเขารู้จักน้อมนำสิ่งที่ดีงามไปปฏิบัตินะครับผมพยายามพูดเชิงประชดประชันเสมอนะครับว่า ถ้าถ้าคุณยังสุบูรี่อยู่คุณยังดื่มเหล้าอยู่อะไรเหล่านี้ให้เด็กเห็นเนี่ยแล้วเราไปบอกเด็กว่าไม่ควรดื่มไม่ควรทำเนี่ยมันอาจจะอาจจะไม่จีหลังยั่งยืนเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องเป็นการสร้างจิตสํำนึกตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่ลูกๆเราตั้งแต่เด็กๆนักเรียนวันนี้ถ้าบอกว่าให้ทุกคนปรารถนาดีต่อบ้านเมืองเนี่ยทุกคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัว แต่ถ้าเราบอกว่าใครรักลูกบ้างทุกคนยกมือทั้งหมดเลยใครปรารถนาดีกับลูกให้ลูกได้ดีบ้างทุกคนยกมือหมดเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่เราบอกลูกให้จําดีอย่างนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องบอกกล่าวกันในสังคมให้มันเกิดขึ้นนะครับก็ยืนยันว่ า, านโยบายในเรื่องของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นอําเภอเมือง<ม>เราหรือผู้ในภาพรวมในฐานะที่เป็นผู้รักษาการแทนท่านประจังหวัดนี้ก็จะ ถ่ายทอดนโยบายของรัฐบาลนโยบายของท่านอดิศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเนี่ยให้กับทุกอําเภอให้กับทุกชุมชนแล้วก็ร่วมระดมการทํางานเราก็จะยึดคําว่านครพนมเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขเราก็จะไม่บอกว่าออของใครอันนั้นไปนส่วนแยกย่อยไปนะครับถ้าเรามองถึงภาพรวมเมื่อเราทํานครพนมได้แล้วเนี่ยเราก็จะมองมันก็จะเป็นเป็นผลกระทบไปยังภาพรวมของประเทศชาติเรา นะครับวันนี้ต้องวันนี้เสียเวลาครับที่จะเรียกร้องให้คนไหนทําโน่นทนํานี่แต่ว่าจะได้ประโยชน์สูงสุดถ้าเราเริ่มต้นทําให้มันเกิดผลจริงๆในพื้นที่เพราะฉะนั้นผมขออยากประชาสัมพันธ์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านผู้รับฟังนะครับให้ทราบว่าทางราชการก็จะมีการรณรงค์ทําสิ่งที่ผมได้กลาบมาเมื่อสักครู่ให้มันเกิดขึ้นในเป็นดอกเป็นผลตลอดไปอะไรที่ไม่ดีไม่งามในพื้นที่ของพวกเราเราต้องช่วยกัน ทุกมือทุกร่วมด้วยช่วยกันมันจึงจะเกิดผลนะครับเพบื่อนบันฑีก็พูดสั้นๆตอบง่ายๆก็ๆต้องขอบคุณท่านผูน้ดำเนินรายการที่ได้ให้โอกาสได้มาพูดคุยครับครับครับไม่ทราบว่าถ้ามีประเด็นที่เพิ่มเติมับท่านนายอำเภอครับอย่างเช่นกรณีพื้นที่ซึ่งอาจจะต้องเข้าไปดูแลเป็นพิเศษเรื่องของความสะอาดเรื่องของขยะมูลฝอยเนี่ยครับท่านนายอำเภอครับ ม, ม, มีครับนายอเภอที่พื้นที่อเมืองครับ ครับก็ขออนุญาตนะครับผมได้รับมอหมาเช่นในพื้นที่อำเภอเมืองบ้านเนินสะอาดตำบลราชควายนี่บอกเลยนะครับว่าเป็นชุมชนหนาแ น, น่จนชุมชนมหาวิทยาอะไรแต่ว่าทําไมมียังมีปัญหาเรื่องอะไรอีกหลายอย่างที่พูดนี่ไม่ได้หมายว่าเป็นการติติงนะครับแต่บอกให้รู้ว่าวันนี้คนในชุมชนเอง ก, ก็ต้องมารณรงค์มาดูมาสํารวจตัวเองซิว่ามาให้คะแนนตัวเองซิว่าอะไรคือความผิดพลาดและอะไรที่ไม่ไหวถ้าหากว่าพวกเรายังต่างคนต่างทิ้งต่างคนต่างแย่งกันไม่ดูแล มัก็เปล่าประโยชน์ที่จะให้หน่วยอื่นมาดูแล <c oughs> แต่ว่าในฐานะในอำเภอนี่ผมรับที่จะไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ก็ดีในการเริ่มทุ่มสปปรรพะกำลังไปดูแลตรงนี้ให้มากขึ้นก็ดีครับณ <c oughs> วันนี้เนี่ยผมมีความมั่นใจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ <c oughs> ขอ ง, ของพื้นเมืองเรากํานันผู้ใหญ่บ้านเขามีความมั่นใจผมอาจจะพูดปลุกเร้าเขาได้ดีบ้างนะครับ <c oughs> อาจจะพูดปลุกเร้าให้เขาเห็นว่าเนี่ยมันต้องช่วยกันนะพี่น้องนะ <c oughs> <c oughs> เราอยากให้ลูกเราดีอยากให้ลูกเราเห็นสิ่งที่มันดีงามเราต้องช่วยกันทํา นะครับรวมถึงนี่ก็พูดเป็นประเด็นพาดไปต่อไปเลยนะครับวั น, วนนี้วันลอยกระทงใช่ไหมครับกาลอยกระทงที่หลายคนก็อยากมาเที่ยวจังหวัดนครพนมนะครับอยากมาดูเรือไฟอยากมาดูกาบไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพวกเรานะครับแต่ว่าถึงวันเทศกาลทีเราก็ม่มีปัญหาจากเรื่องอประทัดยักข้างเราก็ยังสงสยัยอี คนทําสิ่งเหล่านี้มาข่ามาขายเนี่ยทําไมไม่รักษาบ่อข้าวตัวเองทำไมไม่ไม่กินนานๆอยู่นานๆรเราก็มาทำแต่สิ่งที่มันอันตรายเช่นประทัดธรรมดาไม่พอต้องประทัดยักษ์แล้วก็มือไม้ขาดที่คนพิการกันไปเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเรียนให้พี่น้องสบายใจว่าผมไม่อนุญาตให้ร้านค้าไหนขายหลอกไม้ไฟทั้งหลายทั้งปวงเลยแล้วก็ช่วงงานเรือไฟเราที่ผ่านมาครับ ท่านตัวกับจังหวัดก็มอบรายบายซึ่งตรงกับทางพื้นที่เราที่เราปฏิบัติคือไม่อนุ ญ, ญาตให้ขายผู้ดอกไม้ไฟเราก็ไปจับเอากลุ่มหลายร้านพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายก็บอกว่า mm. เออลังแกกันหรือเปล่าเนี่ยพรเกิดมาไม่เคยรู้เลยว่าต้องขออนุ ญ, ญาตเพราะนั้นก็เรียนซะ <Yeah. S 1> เลยนะครับว่าขออนุ ญ, ญาตกับพี่น้องครับเราอยากมีความสุขบนความทุกข์ของพี่น้องบ้านเราเลยอะไรทําได้ทําอะไรทำไมได้มันต้องขออนุญาตก็ขออนุญาตเพราะนั้น แต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายว่าปิดกัน้นความเจริญนะครับถ้าหากว่าลอยกระทงมันจะต้องจบด้วยการจุดประทัดเนี่ยก็ทําได้มาขอญาตมันถูกต้องการขอญาตผมก็จะได้บอกครัว่าขนาดไหนควรขายหรือไม่ควรขายอะไรที่จะทําให้อาชีพของเราเจลังยั่งยืนเนี่ยก็จะได้บอกกล่าวกันขอร้องกันเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆย่างมีความสุขครับครั บ, ร บ, รบเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องดูแลกันนอกจากประทัดแล้วเรื่องของความปลอดภัยนะครับท่นนานนายอำเภอครับ การไปร้อยกระทงการขับขี่ยานพ า, นาหนะการดื่มสุราต่างๆเหล่านี้นะครับมีการเน้นย้ําผู้นําท้องถิ่นอย่างไงบ้างครับท่านครับครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราถือปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้วนะครั บ, รบอําเภอเมืองหรือเป็นอําเภอชายแดนนะครับเป็นอําเภอที่ต้องมีมาตรการในการดูแลรักษาการสงบเรียบร้อยเป็นพิเศษผมได้เป็นมาตรการของอําเภอเลยนะครับว่า ทุกครั้งก่อนที่ใครก็แล้วแต่จะอนุญาตให้มีการใช้เสียงอนุญาตให้มีการจัดงานเนี่ยต้องให้ถามฝ่ายปกครองกันว่าคุณมีกําลังในการ <c oughs> ดูแลความสงบเรียบร้อยดีไหม <c oughs> กำลังของนายกมาของผมหมายถึงชุดชรบบรชุดรักษาความสงบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน <c oughs> ชุดนี้เนี่ยเป็นชุด <c oughs> เขาเรียกว่ากองกําลังประจําถิน่นครับเป็นชุดรัษฎรที่มีจิตอาสาเราเอามาฝึกท้าหาันคว้าหันเอามาฝึกเรื่องการใช้ปืนให้มันถ <c oughs> ูกต้อง ใช้ปืนอย่างไรเพราะว่าชุดชลบรเนี่ยเรามีอาวุธปืนลูกสองห้าลัตให้ประจํากายด้วยก็ไปฝึกวินัยกันเอาไปฝึกความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นชุดเหล่านี้เนี่ยก็จะมาดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชุมชนของตนเองเพราะฉะนั้นสั ญ, ญลักษณ์ของชุดชลบรของพวกเราคื อ, อใส่ชุดฝึกสีดาเงินเข้มมีมาสที่ดูธรรมะธรรมงถือปืนถือไม้ก็ดูหน้าเคารพศรัทธาเพราะฉะนั้นชุดนี้ก็จะดูแลชุมชนของตนเองนะครับนี่ก็เป็นความที่สําคัญก็คือ เราฝึกให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานผู้ช่วยเจ้าที่ตำรวจผู้ช่วยของฝ่ายปกครองในการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนาแก๊งมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็ขอลองกันแล้วก็เราเคยใช้มาตราการของตำรวจบ้านพึ่งโมเดลก็คือไปเชิญนะครับเราสมที่กาลังไปเชิญจากที่บ้านมาเลยตอนตีสี่ไปปลุกตื่นเลยบอกว่าให้บักลามาคุยกันหน่อยว่าทำไมแข่งมอเตอร์ไซค์กันจังเลยเนี่ยวันนี้มอเตอร์ไซค์มันถูกดัดแปลงมันต้องเป็นเรื่อผิดตามกฎหมายนะ ต้อปรับมือแก้ไขแล้วก็ขอรนยญาตตรวจปัสสาวะถ้ามีอาการที่ไม่ปกติก็จะเข้าค่ายบําบัดกันไปนะครับก็จะช่วยกันทุกฝ่ายครับกับกับก็เป็นความหงใยของทั้งด้านท่านแอมเภอนะครับแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงการดูแลพี่น้องประชาชนให้เกิดความปลอดภัยทั้งในชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ในเรื่องของประเพณีต่างๆครับให้ดําเนินไปอย่างมีความสุขนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านแอมเภอดํารงศิริวิชัยมิวเศษครับ ท่านนายมนเพิเมืองนครพนมนะครับที่ได้ให้เกียรติร่วมในรายการบ้านเมืองหน้าอยู่ในเช้าวันนี้ขอบคุณท่านมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของรายการบ้านเมืองหน้าอยู่นะครับซึ่งก็นําเสนอเรื่องราวดีๆครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการบ้านเมืองหน้าอยู่ในเช้าวันนี้ครับนายอดิศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมขอเชิญสร้างค่าน้ยมหลักของคนไทย12ประการ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 เจ็ด <7. S 2> เรียนรู้อธิปไตยของประ ช, ชาแปดรักษาวินัยกฎหมายไทย9ก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัดสิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้สิบเอ็ดต้องเข้มแข็งทั้งกายใจสิบสองไซสคิดอะไรให้สด ขอคืนความสุขให้เธอประชาชนแผ่นดินจะดีในไม่ชา้าความสุขจะคืนมาประเทศไทยพี่น้องชาวจังหวัดนครปนมที่เคารพกับข้ผมในอดิศักดิ์เทพอาจผู้ ว, ว่าราชการจังหวัดนครปนมขอเชิญ